เเทศถึงเรื่องความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนดีทำทายากคนชั่วทำง่ายให้ฟังอีกเพราะวันก่อนนั้นเทศนิดหน่อยแล้วก็แล้วไปวันนี้จะ เพิ่มเติมอีกคงไม่เบื่อผูต่ังกับคมจะไม่เบื่อเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยวันเบื่อคำสอนของพระดิเจเาาอันนี้ก็คำสอนพระองค์เองคนที่ชอบใจ ในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งฟังเท่าใดก็ยิ่งทราบซึงก็ไปเพราะธรรมะคำสอนส่งมากเก็นของเบือ่อคนที่เบื่อคือคนไม่ชอบนิสัยของคนที่ชอบแล้วย่อมชอบใจยอยู่เสมอฟังเวลาใด ชื่นใจเสมอทราบซึ่งเขาถึงไปในใจธรรมะลองคิดดูเถอะฟังทีหนึ่งแล้วฟังที่สองก็ยังดีอยู่เหมือนเก่ายังได้ความลึกซึ้งเราไปข้อเก่าผู้ที่ฟังเป็นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าฟังไม่เป็นก็เบือ่ออย่างความดี ที่จะอธิบายต่อไปนี้ความดีที่คนดีทำได้ง่ายแต่ความชั่วทำด้ยากพระนิสัยของคนดีมีมาแต่เบื้องต้นมันเป็นพื้นฐานแต่ต้นมาแล้ว เราต้องพอพูดถึงเรื่องความดีก็ทราบซึ่งเราถึงใจเง่ยมไม่เบื่อหน่ายคนที่นิสัยเป็นเช่นนั้นด้วยอำนาจกุศลผลหลังก็พุดก็ว่าได้หรือด้วยการศึกษาดีอบรมดีง่อม เข้าใจในธรรมะที่เป็นของดียิ่งฟังเขาถ่ายแถกยิ่งทราบซึ่งยิ่งพิจาจนานเขาใดก็นยิ่งถึงใจเมื่อมันถึงใจก็ฝังอยู่ในใจนะั่นแหละความดีในทีน่ดีพูดกันง่ายๆความดีนั้น ถ้าพูดทั้งเป็นพาษสาบบรีเรียยวกูศสนหรือบุญความดีความชอบมันเรียกว่าบุญเนี่ยกู้สนบุคคลที่มีนิสัยเจ่นนั้นแล้วย่อมพักไปแต่กูศสนกูชโลแปลว่ากูศสน กูมีความฉลาดกุสโลแปลว่าูมีความฉลาดในอุบายต่างๆเพื่อความเจริญห้อ ง, งามของตนอย่างการพุศนที่ทำทำอยู่ทุกวันทุกวันไม่มีเบื่อมีมากก็ทำไปมากมีน้อยก็ทำไปน้อย ว่าถึงเรื่องกุศลแน้วไม่เบื่อจะทำบุญส้นฐานได้ประการต่างๆก็ไม่เบื่อว่าถึงเรื่องการรักษาชินหาชินแตกมัน้าไม่มีเบื่อชินไม่ได้เบื่อคนทานไม่ได้เบื่อคนคนนั้นดังหากมันไม่ถึงชินึังทำมันยังค่อยเบื่อ ทำสมาธิเพราะานานก็ไม่มีเบื่อยังทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจทําใจให้เบิกบานห่องแผวเบื่อทูบายปัญญากว่วงขวังจิตใจที่หดหูไปเลยเบิกบานขึ้นมา จิตใจที่เศร้ามองก็เลยพองใจขึ้นมากุศลทั้งหลายเป็นอย่างนั้นกุศลนี้ท่านพูดถึงเรื่องกุศลเจตนากุศลในจิตกุศลการบุญการกุศลทั้งทางบุญในการทําบุญหลวงวัดเ่ยวกุศลนั้นการรักษาศีลก็เรียกวุ่นวุ่น ก า, ารทำสมาธิภานาก็เรียกกุศลปัญญาอวายต่งตางๆก็เรียกกุศลตลอดทั้งวากร น, นิพพานก็จัดเป็นกุศลทั้งนั้นกุศลมันค้วงคว่มว่าทั้งบุญกับกุศลมันต่างกัน ท่นอินท่านโทมอยู่บนโล ก, กุตตธรรมยิ่งเหนือโล ก, ออกนั้ น, น, นอีกเนนัยกุศลผู้อีกสั้นหนึ่งว่าความดีคนดีทําง่ายความชั่วคนชั่วทําได้ยากแต่ความชั่วคนดีทํำยากคนชั่วทํ า, ดท ไ, ดาทได้ง่าย พูดง่ายๆอย่างใกล้คนที่เกิดมาต้องมีบุญมีคุณแจกกันละกันในโลกอันนี้ถ้าหากว่าเกิดมาพูดคนเดียวแลวจะอยู่ไงได้อยู่ไม่ได้เราแล้วไม่เกิดซ้าอีกคนเดียวไม่เกิดซ้ำอีก มันต้องมีบิดามดารดาจึงเขาเกิดมาเกิดซึ่งมันก็สองลูกสองใอ่สองคนสามคนมาหลานเหลนมันก็ตลอดก่วงขวางเข้าไปอันคนที่เกิดมาอยู่ด้วยกันนะั้นร้วนยจะมีคุณแก่กันด้วยกัน คนที่ไม่คิดถึงคุณของการะไรกานนัน้นนั่นก็จมอีกละมันจมอยู่ปกปิดไว้อีกละไม่มองเห็นคุณแม่แต่จีดามันดาก็าไม่มองให้คุณคนเราเกิดขึ้นมาอย่างน้อยที่สุด เราเป็นเพื่อนมนุษย์เดียกันการธมาค้าขายการหาอยู่หาชิ้นแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันในกันล้วนแต่คนสองคนขึ้นไปทางนั้นน่ะเป็นตลอดทุกคนหมู่มากอย่างข้าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายทำมาหากินต่อไไดใดๆ ถ้าหากว่ามมนมีคุณไม่เห็นคุณของกันแล้วหมดท่าอยู่ด้วยกันก็ไม่คิดถึงคุณไม่คิดถึงบุญคุณของกันเละกันโดยเฉพาะคือบิาดามดากี่ให้เันอ เ, เกิดเราแล้ว เ, เกิดขึ้นมาได้ชื่อว่ามีบิดามดาคนเดียวไม่มีถึงสอง ที่จะได้เกิดมาเป็นก้อนในติวตนเป็นตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเลือดเนื้อของวิดามันดาเกิดมากระทั่งเติบโตเลี้ยงงหญ่ในการศึกษาเราเรียนเป็นปู่เป็นคนธามากินอาชีพเลยเลี้ยงตัวคุม วิดามันดาไม่ได้เรียกร้องเอาเลยทุนร้อนที่ให้ไปตั้งแต่เกิดก้อนเลือด ก, ก่อนเนื้อของวิดาทั้งตนนั้งตัวนั้นก็ไม่ได้เรียกร้องเอานีแจะถมให้ทุกทีมีได้ขนให้ทุกทีให้อาหารการกินให้เครื่องหนุ่มของหอมให้การศึกษาเราเรียน จงกระทั่งแต่งงานแต่งลูกแต่งเมียให้เขาไม่เคยจะไปเรียกร้องกระทั่งมีลูกมีหลานยังไม่นนำซ้ำตามรักตาให้จนกระทั่งลูกอีกซ้ำในลูกมาแล้วก็ เอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงซะอีกเป็นหนี้ตลอดเวลาหนี้โดยที่ไม่คิดคาดเอาชักนิดเดียวเลยไม่คิดจะเอาคืนมาเลยแม้ที่สุดทำมาให้กินจเจริญรุ่งเรือง ถ้ามีเงินร่ำเงินเดือนก็ตามเถอะพ่ อ, พอแม่ไม่คิดจะเอาสันิดเดียวของลูกกลักจวจะลูกจะไม่มีกลวัวจะลูกจะไม่รวยอดทนกระทั่งการอยู่การกินทุกสิ่งทุกอย่างสะสมมาให้ลูกให้เต่า คุณของบิดามารดาเสียงแค่นี้แหละมากมายเหลือที่จะถนนนะานับบรรยายจกนกระทั่งแต่วันเกิดจนวันตายก็มีที่สิ้นสุดคุณของบิดามารดาหากว่าใครไม่มีบุตรไม่รู้จักคุณว่าบิดาคือมีคุณยังไง ผู้ชายถ้ามันมีไม่ได้แต่งงานไม่มีภรรยาแล้วม่มีลูกก็ไม่รู้จากคุณของดีดาคือต้องรับภาระทุกอยา่างว่าโอ้ดีดามันดาของเราดีดาของเรามีภาระอย่างนี้รับภาระอย่างนี้ ผู้หญิงถ้าหากก็มีสามีมีลูกความไม่รู้จักรับภาระไม่รู้จักธุระของมารดาถ้าหากคนใดยังไม่มีบุตร ย, ยังไม่มีสามีกยังไม่รู้จักคุณของมารดามีตัวอย่างอย่างครั้งพระเจ้า อาชาติตรู ก, ลกำลังคึกขนองคิดอยากจ ะ, สะเสวยราชอาศัยการชักชวนพระเทวทัตให้ข่ามาให้ข่าพระราชฎิดาคือพระจรเจ้าทีสามเสียจะได้สสเสวยราชแทน ส่วนเราก็จะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะจะเป็นพระเจ้าแทนโน่นน่ะความคิดใหญ่โตทานพระพุทธเจ้าไม่ใช่การตกแต่งเอาเมื่อไรถ้าเทวทัตุลูกจิตของพระพุทธเจ้าแท้ๆคิดขนาดนั้นมันน่าอเนอึงตาดใช่ น, อน้อย จะ้จ้าชาติสตรูหลงเชื่อประเทวทัตเมื่อจับพระราชธิีดาวมาทนทุกข์ประมาณให้เอาไว้ในในเรือนจำให้มันดาไปส่งเข้า อยู่นานมากก็ยังมีชีวิตอยู่ถามก็ยังมีชีวิตอย ai, rauen, again, mm. ู่ไหมสิดาของเรายังมีอยู่เอาห้าไม่ส่งเข้ามาดาไปมารดาไปส่งเข้ามันดาอุตสชาเอาใส่มวยผมไปเอาเข้าใส่มวยผมไปอยู่มานานมาถามมาเป็นยังไงสิดาของเรายังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่นัรููจากว่ามันดาสุกใส่มวยผมเข่ามวยผมไป ให้ธาตให้สวยห้ามคนที่สุดต้มเข้าเปียกๆแล้วทาตามตัวนั่นให้ถึงให้พิดาให้สดารัามีเดียทางยังมีชีวิตอยู่ไหมอะนั่นต่อมายังมีชีวิตอยู่ถาม่ร่าสุดใ ไอ้าชบรุษรที่รู้จักว่ายังมีชีวิตยอยู่มันดาในบิดาของผมห้ามไหมเด็ดขาดไม่ใไปหาในพระหาตัวเจ้าพี่สายก็เดินยังโคลมอยู่อยู่บนยอดเขาถามเขาว่าเป็นยังไงเวลาบิดาของเรายังยังมีชีวิตยอยู่โดยอมู่ เอานี่คนจะเชื่อป่าเท้าฝ่าพระบาทก็พระเจ้าพิสานพรนางเสือไปราดจกนกระทั่งสิ่นไปชนในวันสิ้นไปชนนั่นแหละพระราชบุตรของพระเจ้าอาชาติศัตรูเกิดในวันนั้นทรพมาทั้งหลา ย, ยึกษากันว่า เอาเรื่องนี้ไปกราบทูลเจ้าท้ารัตตวอย่างไงดีเอาเรื่องพระราชิดาชินประชนกราบทูลก่อนห ร, อหรือว่าจะเอาเรื่องพระราชบุตรประสูตรในพรหนึ่งบอกว่าเอาเรื่องพระราชบุฎระจะกราบทูลก่อนพ อ, เ, อเรื่องพระราชบุตปรปกราบทูลว่าวันนี้ พระธาบุสรุของพระองค์ประสูติแล้วรูปสวยสดมดงามพร้อมด้วยลักษณะทุกประการสมควรที่ได้รับเป็นราชายาเกิดตึ้นปีติใหญ่โตเขาถัดหาประมาณไม่ได้เนี้อมาดีคนหนึ่ง เ, เรื่องพระราษฎิตดาสินไปชนนจะกราบทูลบอกว่าพระราษฎิตาของสินไิชชนแล้วสลดสังเวชจนกระทั่งไม่หาที่สุดไม่ได้โอ้โหธิดาของเราลักเราเนี่ขนาดไหน เราลากบูตรขนาดนี้ลากเีวดาจะลักเราถึงขนาดไหนกันได้ความสดุดสังเวชมากที่สุดวันหนึ่งยิงถ า, งามพระอาทิตมาดานราธทวดาลักมองฉันขนาดไหนพระอาทิตมาดาบอกว่าขอลักกันสิ ้าหนึ่งเป็นสีที่ไหนก็ไม่ทราบัะเป็นสีน้ำหนองว่าอมันใส่น้องจนกระ ท, ทั่งตึงตึงกระเจนทีไม่ยอมให้หมอหัวปากราชเทดาวสาุสตาจูอุกโอดจูบสีนั่นเอาน้ำหนองออกขนาดนั้นเทียวอือโอ้โหย ตันสลดสังเวทใจอย่างมากที่สุดในตอนหลังครั้งหนึ่งนานมาแล้วไอ้เฝ้าพระเดเจ้าอายตอนนี้อายพระพุทธองค์จะเข้าไปวัด อ, อตัวและอายที่สุดวันหนึ่งกรมอาละพัด ในกลางคืนวันนั้นพระเจ้าป็นดิพอาชาติสตรูนั่งไปชมอยู่เไอการสวยเลิกเต้มดวงของใจสะอาดคิดถึงเกิดเราจะไปง้า้ดีวันนี้จะไปเอายกทัพไปลบศึกเมืองใดจะดีหรือไปที่ไหนจะดีต่างองค์ต่างคนก็ เขามาับ ท, ทุนด้วยประการต่างๆไปลบเมือง น, นั่นเมืง น, นี่ต่างโงหรอกชวนให้ไปหาอาจารย์ท้องตนที่เป็นคนมีชื่อเสียงโ ด, ด่งดังทุกคนฟังทุกคนทุก ค, กคกำ ต, ตัวมาลพัดยังบอกว่าไปหาองค์ถืออยู่นี่ก็ะไร้นี่ยไปไกลหรอก ชอบจากไปก็ไปเอไปในกลางคืนเข้าไปในวัดมานิเวสงบสงัดเออกลมาแล้วพัดอีกหลอกแล้วมาตรงไปชนมามาฆ่าแล้วก็มัง่งเพื่อนเพื่อนตกใจก็มากลัมาแล้วพัดก็บอกว่ญญาอยากกลัวเลย พระองค์มไม่หลอกพระองค์ ม, มาขู่มาทหารมาผงมา้นอราเดี๋ยวไปก็เจอพระองค์ราพระองค์เดินยมโกลมอยู่คอเข็งแกม่องค์ก็เลยเข้าไปหาพระองค์พรงเทศนาให้ฟังทั้งกลัวก็แสงกลัวทั้งอายก็แสงอาย ในวันนั้นเทศนาอย่างยืดยาวให้ฟังเรื่องคุณบิดามารดาจเจ้าสัตรูแระชาติศัตูสลดสังเหตถ้าหากไม่ฆ่าบิาดามารดิบิดาแสดจะได้เสเรของคลนิพพานต่วันนั้นอาศัยการทำกรรมหนักที่พุทธถึงฆ่าบิดา จึงไม่ได้สำเร็จมาผลนิพพานียงได้เกิดศรัทธาเรื่องใจต่อามาจึงรงนิพพานได้จึงเป็นสาวธนูประทัยบยกสังขา ย, ยานาเป็นการถึงแรกอันนี้ยืดยาวพูดไปเรื่องคุณของผู้มีคุณย่อมในคนผู้มีคุณแก่ตน ย่อมทามคุณสนองตอบแทนกัตัญญุกัตเวชิตาเป็นเครื่องหมายของนักปราชญ์ถ้าหากไม่คิดถึงบุญคุณต้องกันและกันแ ล, แล้วคนเราจะเป็นตักแกมพวกหนึง่งไม่ใช่มนุษย์แต่ด้หากว่าคิดถึงบุญคุณของผู้มีคุณ จึงค่อยทำคุณงามความดีอันนี้เรียกว่าตอบแทนซึ่งกันและกันในวัฏฏะต้งสารเวียนว่าแต่เกิดมันต้องคิดถึงบุญคุณของกันและกันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพวกเวียนไปยๆม า, มาไม่มีที่สิ้นที่สุดแต่ว่านั่นก็เป็นปัจจัยการสร้างคุณงามความดี สตวเวทีตอบแทนบุญคุณผู้มีคุณเป็นปัจจัยให้ส่งเสริมไปสู่มรรคผลนิพพานได้เหมือนกันพื้นฐานมีอย่างนี้มันยังค่อยเป็นไปเชื่อมัรรคผลนิพพานถ้าไม่มีพื้นฐานประขาตอนมดิท่า แล้จะทำคุณงามคนดียังไงได้อย่างตัดที่ไม่มีความรู้ไม่มีกตันยียลตเวทีกอแทนเพื่อนกันได้ครับเป็นอภิพาบุคคลคือไม่สามารถจะได้สิเร็จของคนนี้ผ่านได้กตเวแอตันยียลคาตเวที เป็นเครื่องหมายของคนคู่ดีต้องยึดหลักอ น, น, น, กนิจเป็นเกณฑ์สิ่งทั้งหมดที่อธิบายมานั้นบุญก็ดีกุศลก็ดีที่อธิบายบุญนั้นพูดทั้งเรื่องไอ้กรรมอาภิจญกุศลเเรียวกว่ากรมอาภิญรกุศลนั้นเรียกพูดทั้งเรื่อง เอค า, าร์บอเนตจอร์ด้วยลูปาจอร์นด้วยโลคุณดอนด้ว ย, รรว ย, วยเรียกว่าเหนือโลกก่อนมารวมในกาตาเนยียกาตเวทีนี้วันที่ทำทั้งหลายนั้นถ้าหากพูดกวงก้องก็เป็นกวงอันพูดรวงเข้ามาแล้วอยู่ที่หัวใจของคดคนเดียวน่นนะอันเดียวหนึ่นนะ คือหัวใจคงเดียวนะสร้างความดีอะไรทั้งออกจากหัวใจทางนั้นถ้าใจเป็นกุศลนะก็เป็นกุศตลอดเวลาถ้าใจไมเป็นกุผลนะก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าท่านเทศนาลงมาให้รักษาหัวใจของตนคนเดียวไม่รักษาอื่นธรรมะ เขาต้องสอนเขาปเจ้ารวมมาที่หัวใจคึกแก้ที่หัวใจความลุงที่หัวใจให้เกิดที่หัวใจนั้นถ้ามันมีใจแล้วหมดท่าคนเราทําอะไรไม่ได้ที น, นี้หากมีใจอยู่ยังเคยทาดีทําชั่วแต่หากเลือกออกรวมช่วนออกเสียงรักษาได้ความดีทันไวัยได้เรียกว่ากุทธผล อธิบายมาก็สมควรในเวลาอิทธิชิตตังวิธิตังถุกห้างชิพเมวัสนิสตุสัพเพตุเรนตุจังกับปาจันโทพะนัลโสยะถามณีโสเทอะโสยะถาสัทพีติโยวัชันตุสัพโรโคอินาตุมาเจตวัชนตราโย สุคีติขายุโกภวาอติวาทนะสีตสนิจังุท่าปิจายโนจตารลทัมมาวทันติอายุวันโนสุทัง